ขอให้ลูกหลาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจะเดินไปในสถานที่หนึ่งที่ได้ริขอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ได้คอยปรอดใช้ทุกสิ่งประการขอให้ปราศจากการตายโหงขอให้ปราศจากการตายห่าขอให้อยูแ่แก่ตายเองถ้าคนไหนมันเจือกขอให้หายเจนอกเชียถ้าคนไหนมันรวยกขอให้รวยยร่งๆไปเนี่ยอยู่มันค น, น, นยืียวไปเป็นลูกหลานนี่ไป